นี่ก็คงเอาสลายยตนาวัตรมาเรียนกันนะ <c oughs> มนามาพามาป่ะดันยิ่แปดนะนักข่ไปพิจารณาอายตนะมาเยอะ น, นะจริงเราก็อยู่กับอายตนะตลอด <c oughs> มีตาอ่ามีอายตนะคือตาแล้วก็เที่ยวสแสวงหาอายตนะคือสีเนี่ยเเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเห็นมีหูก็สรรหาอายตนะคือเสียงว่างั้นนะมีจมูกก็สรรหาอายตนะคือกลิน่นมีลิ้นก็ไปหาอายตนะคือรสมีกายก็ไปหาอายตนะคือพทธภาพนะมีใจก็สแสวงหาเรื่องราวเอามาคิดเนี่ย สรุปแล้วอายตนะสิบสองที่มีเนี่ยดีไหมบุญชูพอใจไหมที่มีอายตนะเนี่ยเขาแบบเออดีเหมือนกันนะคุณบุญชูว่าดีอ่ะนั่นดียังไงตาบอดก็ดีเลียวมีอะตงนะตาบอดลองอายตนะนี่มีดีหรือไม่ดี คนมีน้อยโทษนีมากอล้นะเอาถามว่ามีลิ้นเนี่ยตกลงว่ามันดีหรือไม่ดีจังเกตต่อ อ, อ, อ่าจังเกตต่อเนี่ยดีตรงว่ามันรู้รสคือที่พูดเนี่ยเราเข้าใจเลยว่า เขาหวงอายตนะมากนะถ้าบอกว่าตาหนิว่าลิ้นไม่ดีนะอย่างอื่นมันยังดีนะก็คือเห็นด้วยที่จะมีอย่างอื่นอยู่ว่างั้นเถอะเจอคนที่เขาลิ้นเขาไม่มีรสมันก็เป็นที่รายลิ้นเนี่ยกินอะไรไม่มีรสเลยใช่เกิดเข้าใจแล้วตอบนี้เขาเข้าใจทันทีแล้วไม่ไม่ต้องอะไรคุณชูเซีเนี่มีหูดีไหม อ่าแล้วมาเรียนธรรมะมันจะขัดกันอไม่ขัดกันอ๋อจะรู้ว่าไอ้ของที่เรามีไอ้ีโทษนะคุณนภานี่มีร่างกายนี่ดีไหมบางทีดีหรือดี กำลังอยากจะเห็นตามกำลังเห็นตามอยู่ตามนิดๆนะมีความคิดนี่ดีไหมมีใจเนี่ย <c oughs> นำมาซึ่งความวุ่นวายคือตัวตัวยตนาเองอะนะตั้งตาหูจ ม, มูกเล่นกายใจเนี่ย รูปเสียงกลิ่นรสพอพภะธรรมารมณ์นะตัวมันเองก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงอยู่แลยคือมีแล้วก็ไม่มีทีนี้ที่มันดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ด้วยความทุกข์นะเนะี่ยดำรงอยู่ด้วยความลำบากตานี้ก็ดำรงอยู่ด้วยความลำบากหูเป็นต้นก็ดำรงอยู่ด้วยความลำบากออันนั้นเราเรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็มันก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครซึ่ง เมื่อมันอย่ากให้เกิดเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้ามันเกิดแล้วบอกว่าจะแก่ก็ไม่ได้ไอ้ที่แก่แล้วก็อยาให้เสียหายอีกก็ไม่ได้อันนั้นก็ประกาศถึงความเป็นอนัตตาของอายตนะทั้งหลายแล้วตัวอายตนะเหล่านี้นี่นะเป็นสังโยชนิยธรรมสังโยชนิยธรรมนี่แปลว่าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เนี่ยนะ ตัวตัวอายตนะทั ing, ้งสิบสอก็เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะนะอาศัยอายตนะเหล่านี้นะบ่วงก็เกิดขึ้นนะเครื่องผูกก็เกิดขึ้นอายตนะที่ดีเครื่องผูกคือราคะก็เกิดใช่อายตนะที่ไม่ดีเครื่องผูกเคธโทสก so ็เกิดขึ้นสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องประกอบเนี่ยนะเครื่องประกอบที่ไม่ดีก็เกิดขึ้น การไม่พิจารณาอายตนะทั้งมวลเหล่านี้นะโมหะก็เกิดเพราะนโมหะอายตนะทั้งหมดจึงเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะแล้วตัวอายตนะเองก็ยังเป็นไปกับชราเป็นไปกับพยาธิเป็นไปกับมรณะแล้วเป็นที่ตั้งแห่งบาปแห่งอกุศลเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกิเลสนั้นจะไม่น่ากลัวนักถ้ามไม่ ไม่เป็นปัจจัยแห่งกรรมแต่เนื่องจากกิเลส ท, ทั้งหลายมันเป็นปัจจัยแห่งกรรมกรรมก็ไม่น่ากลัวถ้าไม่มีวิบากใช่กรรมก็ไม่น่ากลัวถ้าไม่มีวิบากแต่นี้เมื่อมีอายตนะเต็นที่ตั้งแห่งกิเลสพอกิเลสเกิดก็ทำกรรมพอทำกรรมวิบากที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็เป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าสุขคตินะแต่ก็ยังมีอื่นยังอื่นที่เป็น ทุกขติขนาดสุ ข, ขติยังเดือดร้อนขนาดนี้นะยังลำบากขนาดนี้ยังเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้ถ้าไปเกิดคติอย่างอื่นจะไม่เหนื่อยกว่านี้แย่หรือนั่นะนะอันนี้คือผลที่มาจากการเกาะเกี่ยวหรือการผูกมัดการเพลิดเพลินในอายตนะนั่นเองนะมีตานี่ก็ไม่ใช่จะบริหารง่ายนะมีตานี่จะลงบริหารง่ายหรือบริหารยากนชูบริหารง่ายหรือยาก ยากมากเลยนะแแบบจะหาเรื่องให้มันดูให้มันเห็นเนี่ยนะกว่าจะสนองมันได้เนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายวันๆหนึ่งเนี่ยนะทีวีนี่ถ้าเปิดไม่ถูกช่องก็ไม่เอาอีกนะเห็นสีที่ไม่น่าปรารถนาเห็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นที่ไม่ถูกใจมันก็ไม่เอาอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็รักษายากงานตาเนี่ยที่จะมาบริหารมันได้หู้โหนี่ก็บริหารยากจมูกก็บริหารยากลิ้นก็บริหารยากร่างกายก็บริหารยากความคิดยิ่งบริหารยากเข้าไปใหญ่เลย ก็นะครก็เดือดร้อนกันแทบๆเลยก็บริหารอายตนะเหล่านี้ทันให้ตั้งอัธยาศัยเพื่อที่จะเห็นโทษของอายตนะก่อนถ้าหากว่าไม่ตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเห็นโทษแห่งอายตะนะเนการศึกษาคำสอนในระดับสูงจะเรียกว่าไม่ค่อยสำเร็จวัตถุประสงค์มากนะน แต่ถ้าพื้นฐานเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่จะเห็นโทษในอายตนะเหล่านี้อยู่แล้วการศึกษาคําสอนนี่จะเป็นเรื่องที่เบามากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันตรงประเด็นตรงตรงประเด็นตรงปัญหาเราพอดีแต่ถ้าบอกว่าโอ้อายตนะนี่ดีทุกอย่างเลยเนี่ยนะนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความสำราญเนี่ยนะ ก็อุปมาเหมือนกับว่าโหเราเนี่ยเป็นเป็นโรคบางอย่างนี่ดีเหลือเกินนะเนี่ยถ้าไม่เป็นโรคอันนี้เราก็ไม่ได้เก่านะเนี่ยโหนี่มีความสุขมากที่ได้เก่าโรคอันนี้เนี่ยนะเออป่วยครั้งนี้ดีเหลือเกินได้กินยาหวานหานเนี่ยถ้าไม่ป่วยยาหวานหวานขนาดนี้ก็อดแม่เพราะป่วยอะดีแล้วที่ได้กินยาหวานหวานเนี่ยนะมีตานี่ดีแล้วนะเป็นบุญของเราที่เราได้เห็นสีเนี่ยนะนะนะมีหูก็เป็นบุญของเราแล้ว ที่เราได้มีได้ฟังเสียงมีจมูกก็เป็นบุญของเราแล้วี่เด็กกลิ่นอย่างนี้ก็โอ้โหชื่นชมอายตนะนี่ตลอดแต่ชื่นชมอายตนะลักษณะนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะพ้นจากอายตนะแต่ทีนี้คนพานทั้งหลายหรือผู้ที่มีอวิชาเป็นเครื่องกลางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องอประกอบเนี่ยนะก็จะไม่คำนึงถึงพิษภัยที่ที่อายตนะเหล่านี้เกิดขึ้นเนียนะ เพราะว่าผู้ที่จะเห็นภายในอายตนะนี้นะน้อยมากอย่างเช่นมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ตัณหาก็ก็มุ่งหวังไปถ้าเป็นสัตว์ที่ต่ากว่านั้นก็อวิชาก็ปกปิดอีกก็มากไปด้วยอวิชาพออยู่คติที่ดีๆหน่อยก็มากไปด้วยตัณหาทั้งก็ทั้งตัณหาทั้งอวิชามันก็มันก็คลาเคล้ากันไปนะจริงๆหมูเดรฉานนี่เขาเดือดร้อนไหมเขาทุกข์ไหม เขาทุกข์มากอะแต่ว่าเนื่องจากอาวิชามันปกปิดเอาไว้เนี่ยนะมันก็เลยทำให้ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรก็ได้แต่สร้างความหวังไปตลอดหมู่มนุษย์ก็ได้คเรว่าได้รับอารมณ์ที่ดีๆซะส่วนใหญ่ก็เลยมัวแต่เพลิดเพลินอยู่อีกก็อำ น, นาจของตันหาทั้งตันหาทางอาวิชานี่ก็ร้อยรัดผูกมัดเกาะเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้นี่แหละถ้าจะเห็นโทษมากๆ น, นะตั้ง ตั้งจิตเอาไว้ว่าไอไวว้าไอาย ต, ตนะทั้งมวลเนี่ยเป็นสังโยชนิยธรรมนะเป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์หรือเป็นอาสวัานิยธรรมก็ได้เป็นธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเป็นอุปาทานิยธรรมก็ได้เป็นธรรมเป็นที่ตั้งอุปาทานคืออุปาทานมันอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเกิดขึ้นเห็นหมอ่าเรีย ก, กว่านิวรณิยธรรมก็ได้ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง นิวรสรุปว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งโอคาโยฆาคันทะนิวรณาอนุสัยสังโยชตกิเลสมันเป็นที่ตั้งแห่งบาปปกรรมทุกชนิดเนี่ยนะเพราะว่าบาปทั้งหลายก็ไม่มีไปทําที่ไหนใช่ไหมอาศัยสิ่งเหล่านี้นั่นแหละทําบาปทํากรรมกิเลสทั้งหลายก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นอันให้ตั้งอัธยาศัยที่จะเห็นภัยในในอายตนะเหล่านีนนะ้แล้วก็เห็นภัยในอายตนะคือในส่วนของภายในเราไว้ด้วย ในส่วนภายนอกคือในในบุคคลทั่วๆไปด้วยเนี่ยนะให้ตั้งอัธยาสายอันนี้เอาไว้ถ้ามันตั้งอัธยาสายอันนี้ไว่มากเพียงใดเนี่ยนะการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะมากขึ้น <c oughs> ม, ามาดูในสลายตนะวักเลยนะสำหรับผู้ที่เห็นภายใน อายตนะเนี่ยครว่าเรียนสลายอายตนะก็จะสำเร็จวัตถุประสงค์ว่า ง, งั้นฮะแต่ถ้าคนยังไม่มีอัธยาศัยที่จะเห็นภายในอายตนะก็ได้อุปนิสัยไปแล้วถ้าเลื่อมใสในคำสอนนั้นๆ น, น, นะแต่ถ้าไม่เลื่อมใสก็ปิดประตูตัวเองได้สนิท ด, ดีมากนี่นะดีไหมถ้าปิดประตูตัวเองได้สนิทนะแบพระพุทธเจ้าเคาะมาได้ยินเลยนะ ก็มีบ้านบางบ้านเนี่ยก็โหล็อกตัวเองไม่สนิทจนข้างไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกเลยกันเถะใครจะมาเคาะเรียกนี่หมดติดเลยนะอันนี้สำหรับบางคนก็ลักษณะนั้นก็เคาะนี่อายตนะมันไม่เที่ยงเอมันก็ยังดีอยู่นะเหมือนกันแย่เลยก็ในสังยุตติกะอพระสุตันตปิฎกสังยุตติกายสลายตนะวักเนี่ยนะข้อหนึ่งเลย ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพิสูเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายจักสุเป็นของไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาท่านทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอ่นะเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตา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 เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดูความพิสูจนทั้ ง, ทงหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเนี่ยนะเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่นะก็คือวิปัสสนาไม่ที่เห็นนะเห็นอยู่อย่างนี้ด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะย่อมเบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นนิพพิธาและวองั้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหใูย่อมเบื่อนหน่ายแม่ในจมูกย่อมเบื่อนหน่ายแม่ในลิ้นย่อมเบื่อนหน่ายแม่ในกายย่อมเบื่อนหน่ายแม่ในใจเนี่ยนะ ก็บอกว่าแหมคนถ้าเบื่อหน่ายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยพึงหวังได้ว่าต้องถ้าเบื่อหน่ายอย่างนี้จริงๆนะหวังได้ว่าต้องคลายกำหนัดใช่ไพร<อ>าะเบื่อแม้กระทั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเหลือแล้วไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วนะ<อ>ก็หวังได้ว่าจะต้องคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดนั่นแหละจิตก็ย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ย่อมมีญาณรังอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้วรู้ชัิว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีใน่นะก็ในคำว่าแสดงที่ปัสนาคนสังเขปมากะนะเหมาะกับพวกอุคติตันยูคือฟังแล้วก็ไปเจริญอย่างนี้เลยเออถ้าพูดถึงสมัยโบราณเนี่ยนะสมัยที่เข้าเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมัยที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ เขาเห็นว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละแต่ละแต่ล ะ, ละพุทธพจน์เนี่ยนะแต่ละบทแต่ละคำเนี่ยมีค่าประดุษประดุษอะไรหนี่คือมีค่ามากที่สุดของชีวิตของเขาอะนะคือคือเปรียบเทียบกับสิ่งสิ่งในโลกแม้กระทั่งถ้าเปรียบเทียบแบบเพชรแบบพลอยเนี่ยถามว่าเพชรพลอยกับชีวิตรักอัไหนมากกว่ากันก็บอกว่ารักชีวิตมากกว่าทีนี้ถามว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านั้นท่านก็รักชีวิตของท่าน แต่ท่านรักคำสอนมากกว่าชีวิตพันท่านเหล่านั้นเมื่อฟังคาสอนเหล่านี้ท่านก็ไปเจริญได้เลยนะยอมตัดาเนวนว่าตัดความผูกพันตัดความกังวลอย่างอื่นหมดเพื่อจะมาคิดแต่คำสอนอย่างเดียวเนี่ยนะเพื่อจะได้มาเจริญมามาพิจารณาตามคำสอนเพราะเชื่อว่าคำสอนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นธรรมะที่ทำให้เขาพ้นทุกข์ได้อ่า ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าอัธยาศัยของเขาต้องมีอย่างหนึ่งที่เห็น่ะคืออัธยาศัยที่เห็นภายในอายตนะก่อนนะเห็นภัยของตาก่อนคือพื้นฐานมีอัธยาศัยเห็นภัยของตาเห็นภัยของหูเห็นภัยของจมูกเห็นภัยของลิ้นเห็นภัยของกายเห็นภัยของใจนะพื้นฐานเขาเป็นแบบนั้นโดยโดยอัธยาศัยเขามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาระจริงๆเนี่ยนะภาระที่ ไม่มีจบมีสิ้นนะนะที่จะต้องบริหารเนี่ยไอ้หกอย่างนี่แหละ น, นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็ะไม่ทราบว่าใครมีความสุขกับการบริหารสิ่งเหล่านี้จริงๆริ ง, รงมั้งหรือเปล่าไม่ทราบนะ น, นะไม่เรียกว่าบริหารตายยิ่งดูแลยิ่งรักษานะไม่นําปัญหามาให้เลยเนะี่ยนะมีไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ยิ่งบริหารมากปัญหายิ่งเข้ามามากนะนะบริหารตานานๆเข้าเนี่ยนะเห็นสีพึงประสงค์ไม่โดยมากอนะ ก็ไม่เพิงประสงค์ว่าเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลตาเนี่ยนะเพื่อที่จะเห็นสีเนี่ยนะคนตาบอด น, นี่เป็นผลอวิบากกุศลหรืออกุศลคนตาบอด น, นี่เป็นกุศ ล, ล, ล <c oughs> หรืออกุศลก็มาเข้าใจคนถามแต่ว่าไม่ค่อยเข้าประเด็นในเรื่องที่กำลังพูดเ <c oughs> นี่ยนะเพราะว่าคำถามที่ถามเนี่ยนะคือมันไม่เหมาะกับวิชานี้จริงๆเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่ากรรมมกตา ย, ยังไม่มีเลยนะ เรียก ว, ว่าแหมความรู้อริยสัจเนี่ยมันมันมันห่างกันมากๆเลยนะเทียบกันไม่ติดเพราะว่ากรรมสกาไม่ดีน่ถ้าเป็นอย่างที่กล่าวนะว่าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงอริยสัจกับบุคคลผู้ไม่มีกรรมสกากับศีลไม่ดีนั่นนะ แต่ของเรานี่ก็คือศึกษาแบบฐานะผู้นักศึกษาเนะี่ยใช้คําว่าผู้ใคร่ในการเรียนทั้งหลายนะจริงๆน่าจะใช้ท์เหล่านี้นะีคือผู้ใคร่ในการฟังธรรมผู้ใครท่ที่เรียกว่ารักที่จะรู้ว่า ง, งั้นเถอะรักที่จะเรียนรักที่จะรู้นะไปที่อื่นก็ไม่ไปมันะัน่งเลยนะเรียกว่ารักที่จะรู้นะที่อื่นหน้าไปตั้งเยอะแยะไปหมดเลยยุงก็ไม่กัดแต่ก็ไม่ไปนะก็แสดงว่าเป็นมีอัธยาศาัยละ นั่นแหละซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเป็นคําสอนที่เน้นอริยสัจซึ่งคนที่ใคร่ครวนนั้นสา ม, มารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เลยอย่างคําถามที่คุณมนมีถามเนี่ยก็คือมันตกตั้งกับเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วนะถ้าเป็นดีว่าห้องเรามันมีอยู่ห้องเดียวถ้ามีหลายๆห้องมาไล่ไปอยู่ห้องางล่างๆก่อนนานนะ <c oughs> นั่น <c oughs> นะไปอยู่ทีท่อนุบาลนั่นไปอยู่โน่นอ่ะไปท่อง จิตมี89หรือ1 2ึดวงคือก็ว่าไปบาลีก็สิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสมิงสุ <c oughs> ก็ไปว่านูน่นแหละมันกะขาขะขางะาจัชชะชยยะไปท่องเรื่นนะองหนไ้บ่มอินซีซะก่อนในอัตถกาานี้พูดถึงจกักษุนะที่ที่ใช้คำว่าจักขูไม่เที่ยงอ่ะจักษุนี่แบ่งออกเป็นสองอย่าง คือยาณาจักรโสกับมังสะจักรโสเนี่ยนะยาณาจักรโสนี้มีห้าอย่างนะคือพุทธจักรโสอย่างหนึง่งธรรมจักรโสอย่างหนึง่งสมัญตะจักรโสใ้อย่างหนึง่งทิพจักรโสอย่างหนึง่งปัญญาจักรโสนี่มีอย่างหนึง่งจริงๆก็ยาณาจักรโนั่นแหละนะแต่ว่าขยายออกเป็นห้าประเภท ประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะที่บอกว่าพุทธจักสุนี้หมายถึงอาสยานุสยายานและอินทยปโรปรยตยานนะซึ่งมีมาในพระบาลีว่าพระพุทธเจ้าตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุนอย่างที่สองชื่อว่าธรรมจักสุอันนี้หมายถึงมรคนะมคขยานนะไม่ใช่มรขจิตแก้นะนะเอาจิตออกไปต้องเป็นมักขยานกับผลยานไม่ใช่จิตพกกางเปิดยังไม่เจอนะหน้าสาม ปรตีไกลามากใจตัวเลืนี้อ๋อนะไม่ใช่จิตนะต้องเป็นญาณต้องเป็นที่ชื่อว่าธรรมจักสุได้แก่มักและผลมันต้องเน้นไปที่มัคคยานและผลญาณซึ่งมาในพระบาลีว่าวิรชังวีตามมลังธรรมจักคุงอุทะปาทิเนี่นะหมายถึงว่าธรรมจักสุปราศจากกิเลสทุรีเนี่ยนะปราศจากมณทินได้เกิดขึ้นแล้ว อันนี้หมายถึงอริยมรรคนั่นแหละเกิดขึ้นเชื่อว่าสมันตะจักสูได้แก่สัพพัญยุตยานที่มาในพระบาลีนี้ว่าปาสาทะมารุหะสมันตะจักคุงเนี่ยนะสมันตะจักสูเรียกว่าเหมือนอย่างว่าคนที่ขึ้นไปอยู่บนยอดปราศาสตรเนี่ยนะจะมองเห็นโดยรอบชั้นใดผู้ที่มีสมันตะจักสูนี่ก็จะลักษณะนั้น ที่ชื่อว่าทิพจักสุได้แก่ยานที่เกิดขึ้นด้วยการขยายอโลกสินอันนี้ก็หมายถึงทิพจักสุยานนั่นเองส่วนที่ชื่อว่าปัญญาจักสุได้แก่ยานในการกำหนดสัจจะสี่ซึ่งมาในพระบาลีว่าจากคุงอุทะปาที่นี่นะจักสุได้เกิดขึ้นแล้วอันนั้นในจักสุห้า น, นี้ก็เป็นธรรมะที่ควรเรียนนะ พูดถึงตัวตัวยานก่อนเออ่ยานะจักสุห้าข้อแรกก่อนนะพุทธจักรสุใช่มั้ยข้อสองธรรมจักรสุขก็สามอะไร สมันตะจักโสข้อสี่ทิพจักโสข้อห้าปัญญาจักโสของเรามีจักโสเหมือนกันแต่ว่ามีตาเนื้อไม่ได้อยู่ในจักโสที่กำลังพูดถึง มีคนละตากันนะเนะอันนี้พูดถึงตาที่ปกติแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตาเหล่านี้นะมาเชื่อว่ายังไม่มีใครมีเลยที่ก็นั่งๆๆนั่งกันอยู่เนี่ยนะยืนด้วยนะเดี <c oughs> ๋ยวว่านั่งหมดไม่ได้เว้นึกว่าคนยืนมีรู้มีแล้วไหมใช่ไมอย่างพุทธจักษสุคืออนะอาสยานุสยญาณ บวกอินทรยะปรโรปริ ย, ะรยะตะเนี่ยนะอาศยานุสยะยาเนี่ยก็คือยาที่อย่างรู้อาศยะกับอนุสยะอาศยะก็คือเช่นอัธยาศัย อ, อาศยะก็คืออัธยาศัยนั่นแหละก็แบ่งเป็นสองนะดีกับ อาสยะดีกับอาสยะเลวอย่างงี้ยนะดีนี่ก็เลวนี่ก็แบ่งออกเป็นอีก เ, อเป็นประเภทเลวแบบทิฏฐิอย่างงี้ด้วยอํานาจของทิฏฐิอย่างหนึ่งหรือด้วยอํานาจของกามหรือด้วยอํานาจของพยาบาทอย่างงี้หรือด้วยอํานาจของทีนามิทะอย่างงี้ตัวทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นสองอีกอย่างงี้ย ตัวอาสยะเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐินะคือแบ่งเป็นสัสตะทิฏฐิกับอุเฉตทิฏฐิเนี่ ย, น, ยนี่ก็คือพวกทิฏฐิทั้งหลายพวกดีก็แบ่งออกเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนยคือสัมมาทิฏฐินี่ก็แบ่งเป็นสองคื อ, อกรรมสกตากับ สัจจานุโลมิขยา น, ยานตัวตัวสัมมาทิฐิเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองคือกรรมสกตาสัมมาทิฐิกับสัจจานุโลมิขยานเสร็จแล้วก็สิ่งที่ตรงกันข้ามกับก า, กามก็คืออะไรเนคขมะเนี่ยะตรงกันข้ามกับพยาบาทก็คืออัพยาปาทะ ตรงกันข้ามกับทีหน้ามิถะก็คืออะโลกสัญญาเนี่ยนะคือพวกตื่นมาก น, นะพวกทีหน้ามิทะก็พวกหลับมากอ่ะอยู่ในกลุ่มไหนว่าพวกชอบหลับหรือชอบตื่นเนี่ยก็ดูเอาอนหนะมกมุ่นในกามอนเปรียบเทียบนะตรงกันข้ามนี้ก็เนคขมมะอัพยาปาทะกับอะโลกะสัญญาอันนี้ก็ว่าพวกอัธยาสัยดี ก็เอาแค่นี้ก็พออย่านี้ okay, สามข้อนคะครับ อ, <c oughs> อุทจากคูกจ่เกิดจากว่าพวกหมกมุ่นในการไปพยาบาททีนมิท่าไปทําชั่วแล้วมันเดือดร้อนท้ายหลังอย่างนี้นแล้วก็ยามที่ยังรู้อนุสัยอนุสัยนี้เป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังนี่นะเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังตั้งแต่การมาราคาอนุสัยปฏิคาอนุสัยวิจิกิจฉานุสัยทิฏฐาอนุสัย เพราะว่าราคานุใสเป็นต้นนะอนุใสเจ็นั่นเองตัวอนุสัยนี่มีเจอย่างด้วยกันทีนี้ยานที่ยังรู้อัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นยานของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองก็คืออินทรีย์โปรปยิยติยานเนี่ยนะก็มาจากอินทรีย์บวกโปรปรยตตะนั่นอนะ่ะคือหมายถึงว่าย่อนกับยิ่งนะนี่ยานที่ยังรู้ความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ ว่าเช่นว่าบุคคลนี้มีศรัทธายิ่งหรือว่ายิ่งด้วยวิริยะยิ่งด้วยสติยิ่งด้วยสมาธิหรือว่ายิ่งด้วยปัญญาก็แบ่งออกเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะว่ามีมากหรือมีน้อยก็อย่างดูพวกการนี้ใช้ญาณตัวเองกําหนดได้เลยในชะ่ไหมว่าอันไหนยิ่งอันไหนหย่อนอินรีไหนยิ่งมัง่งอินรียไหนหย่อน ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอนนไม่ค่อยตึงนะไม่ค่อยข้างตึงอ่ะนะมัหนักแคข้างยออ่ะ น, นก็บอกว่าเอ๊ะผมเนี่ยมากไปด้วยศรัทธาบอกนี่บอกมากไปด้วยศรัทธานะบอกอารหังและโสมนัสเลยใช่ไหมหรือฟังว่าเขาพุทโธเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยอ่ะนะเออนั่นก็บอกว่าสัตทินรีมีกำลังมากเขาฟังอ่ะนะจะสวดมนต์คครึ่งชั่วโมงก็ยังอุเบกขาอยู่ดี อันนี้ก็แสดงว่าสั์ทินซีอ่อนนหมายความว่าเวลาอากุศลจะเกิดนี่นะปล่อยหรือห้ามอันนั่นแหละบอกถึกว่าวิริยินซีเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเออตามใจกิเลสมันหน่อยถ้าพวกนี้นะให้รู้ว่าความเพียนเร็วมากนันะ้คือเรียกว่าพวกตามใจกิเลสนะแล้วถ้าบุญนะยิ่งเขาบอกว่าตามใจกิเลสอย่างหนึ่งแล้วก็ผ ล, ลัดเวลาที่จะเจริญบุญนนะ อันนั้นแหละเขาบอกว่าโอ้โหหนักมากเพราะว่าความเพียนเร็วมากเหมือนกันภาษาบาลีภาษาบาลีเใช้กันจะงี้เขาบอกว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีเนี่ยนะสู้บุคคลผู้มีความเพียนอยู่วันเดียวไม่ได้ในสหัสวรรษนะมีอธิบายไคาถาธรรมบทา ถ, ถ้าพูดถึงสตินะโอ้โห รา ล, ลึกได้เลยนี่กาย14หมวดเวทนา9จิต16ธรรมะห้ากลุ่มแบ่ง น, นะชีวิตนี่อะไรเป็นกายเวทนาจิตธรรมแยกแยะ ค, คล่องแคล่วชำนาญมากอันนั้นประกาศถึงมีสติดี น, นะเราลึกถึงคำสอนได้แม่นยำหมดเลยสมาธินี้เห็นอะไรเนี่ยปรบับเช่นกลุ่มอนุสติก็ง่ายนะพรหมิหารก็ง่ายอสุภะก็ง่าย่าน้อมกสินก็ง่ายยนะ ตั้งมั่นหมดเลยจเจริญได้กับทุกอารมณ์นะกรรมฐานหรือว่าฟุ้งไปทุกอารมณ์อย่างเงี้ยนะก็แยกหรือเอาปัญญาเนี่ยนะขันอายตนะธาตุกรรมสกตาปัจจัยปัจยุบันอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อคล่องแคล่วมากว่านั่นทุกนั่นทุกขสมุทัยเป็นต้นนะนะถาตรงกันข้ามพวกนี้ก็บอกแหมอ่อนมากนะ้็เรียกว่าพระพุทธเจ้านี้จะเป็นผู้ที่มียานอย่างเนี่ยนะยานเหล่านี้ประโยชน์เอาไว้ตรวจคนอื่นโดยตรง ว่าว่าตรงๆนะว่าเป็นผู้ที่จักรสุอ